บันพุตของเขาเรียกวันศาสตร์จีนถือตอนจะเพลงในยุยงของคนโบราณมาจนัตรนี้ <c oughs> และโดยเฉพาะช่างผู้ศึกษาชนและอุบาสกปิกาัสงหายก็คายทำสัมมาปฏิบัติหน้าที่วังคะก็วังฟังธรรมวังปฏิบัติธรรมเรกว่าวัพระ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 อะไรจะได้กําไรบ้างสาขาทุนประการได้เราจะได้มาคํานวณพิจารณาตอนหนึ่งสัปดาห์ต่อวันจะเป็นประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายมากไม่ชน้อยแต่เราก็ไม่สามารถจะพิจารณาตอนและพิจารณาต่อไปในหลักธรรมนี้ได้คนเราจงได้ทิ้งความดี้ะมากเราไปสร้างความไม่ดีไว้ในตัวเองก็มาก แต่น่าจะพิจารณาตัวเองได้แล้วว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ให้สมือเกิดกล้าให้ประเมินผลและวิจัยตนให้ได้ทองแท้แน่นอนว่าอะไรจะขาดคูณหรืได้กาไรค้าขายก็ต้องการกําไรชีวิตเราเกิดมาก็ต้องการกาไรชีวิตนั่งยื้ขาดชีวิตขายกําไรชีวิตแต่สักเปล่าประเสริฐประโยชน์แต่ประการใดก็ขอเจริญพร อ, อย่างนั้น วันนี้เป็นวันธํามสวรรคเรามาหากำลังชีวิตกันสักหนึ่งวันและหนึ่งชั่วโมงก็ยังดีเดี๋ยวนี้เราลุยุกใหม่สมัยนี้เทคโนโลยีทอดทิ้งความดีในวันพระเลยวันพร ะ, ะ, พระก็ไม่ทราบว่าทําอะไรอาจจะอยู่บ้านหรือนาสนักงานาดายถือว่าวาันพระทําใจให้จเจริญสักเวลาหนึง่งทําใจให้สบายทําใจใสงบ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 คนที่ไม่หลงทางคนรู้จักทางเนี่ยจะได้กำไรชีวิตคนที่หลงทางคนไม่รู้จักท้นทางจะขาดทุนนะขาดทุนมากไปไม่ถูกต้องแล้วมันจะเสียเวลาในโลกมนุษย์ไปไม่เช่น้อยเสียเวลามากทา่านอยให้นั่นเสียเวลาชีวิตทา่านยัยขาดทุนในชีวิตเราเลยาตมาพูดมาทุกครั้งเวลาเป็นหนึ่งในโลก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 บางคนไปชอบฟิล์บางคนไปเที่ยวบางคนดูหนังสือบางคนไปสร้างความดีบางคนไปปฏิบัติกรรมฐานบางคนก็ไปโน้ตพัทยาวู้หินบางคนจะไปห้องโปงสิงคโปร์ไปเที่ยวแล้วกลับมานั่นแหละเวลานั้นมันแตกต่างกันอย่างที่สร้างความดีกับไม่ได้สร้างความดีวินาทีเดียวเท่านั้นมันได้ผลได้กําไรแตกต่างกันไปมาก บางคน อ, อ, อ, อยู่เฉยๆยาอะไรเยอะลอยทิ้เนเวลาไปเฉยๆหายใจเข้าออกทิ้นไปเฉยๆเฉยๆน่าจะมีสติในลมหายใจมีปัญญาในลมหายใจบ้างเปล่าแล้วเลยทิ้งไปเหมือนไขน้ำปลาปาทิ้งไปเปล่าแม่เดินมาเชตน้นไม้ยันไม่ได้เอามาอาบไม่อดีย๋ยวเอามารับทานมันก็เสีอไปแบบเปล่ า, าลใช่ห ร, รือไม่เป็นกันไดกาโปรกพิจราณาตรงนี้เนี่ะตรงนั้นล่ะ กันจะได้ผลแลทะท่านมีคุณค่าประการใดวันนี้ก็จะชี้แจงแสดงบรรยายถึงเหตุผลประการมาฐานปฏิบัติแล้วมันได้จึงไหนที่ท่านไม่เข้าใจปฏิบัติขอท่านทั้งหลายโปรดติดตาม ฟ, ฟังสืบไปณโอกาสแบบนี้ขอเจริญารเจริญสึกโดยเที่ยวกันณโอกาสบบบนี้ต่ <c oughs> ตอห น, นี้ไปท่านใจฟัง สติธรรมกรรมฐานแล้วเกิดมาเนี่ยนะชีวิตมีค่าไหมคนที่เข้าใจธรรมะปฏิบัติธรรมะชีวิตเขาจะมีค่าเวลาเขาถึงจะมีประโยชน์ใช้ประโยชน์ต่อเวลาทานุบาศปิการทั้งหลายเอ่ยคำว่าสติปัญญาไม่ไ้วยการทุกคนนี่มานานแล้ว ในท่านคือใดใครที่ไหนบ้างไหมจะใช้สติปัญญาแม้แต่น้อยในกนณีใครใช้ปัญญากระทั่งทิปสติปัญญามีกัะตัวท่านแล้วนโมกาจะใช้สติปัญญาของท่านบางชูรีประการใดการปฏิบัติกรรมาฐานเะนี่ยเป็นนไม่ใช่เรื่องคลื้อเรื่องโง่เงาเต่าตนทํองตองการให้การกระทําท่านดีไหมตองการให้ฐานะดีไหม ตองการให้ทำลุงเลี้ยมไหยตองการให้จิตมั่นคงไหยตองการให้ท่ำมีปัญญาไหมตองการจะแก้ปัญหาในสังคมไหมตรงนี้ไม่มีใครคิดล้วอยู่ไปตามิตยตเดชาอานุภาพทั้งหมดช่างตายกันอยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นหรือวิธการได้แต อ, อาจจะไม่ได้คิดข้อนี้ไปก็ได้ พราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าวสอนนักสอนหนาสอนให้เรียนหนังสือสอนให้หาวิชาความรู้สแสวงหาวิชาใส่ต้นสแสวงความรู้มาแก้อัญหาจากการปฏิบัติธรรมสอนตรงนั้นไม่จะสอนให้มานั่งบวชชีพรามไปสวันนิพพานตรงนี้ท่านสอนไมการแต่เอาไว้ปลายทางนูน้แต่เรื่องตอนของชีวิตนี่ควรจะขึ้นตรงไหนก่อน ควรจะออกแผลด้วยเรื่องอะไรก่อนควรจะดําเงินงานวิถีชีวิตากับการใดพระพุทธเจ้าสอนทุกประการสอนให้มีความเข้าใจแต่เ้าเสีอกไม่เอาแต่เอานอกคําสอนล้างเรื่องเรีองเวลาไม่สามารถจะแก้ปัญหาของท่านได้แน่นอนที่สุดท่านจะเอาอะไรมาแก้ปัญหาเพราว่าชีวิตของคนนี้คนเนี่คือคนอยากคือปัญหา การแก้ปัญหาตลอดเลยการม่มีที่จะแก้ปัญหาแต่ประการได้การปฏิบัติกรรมฐานนั้นเป็นการแก้ปัญหาเป็นการสู้ปัญหาและกแก้ปัญหาอย่าทิ้งปัญหาอย่าหนีปัญหาตรงนั้นถึงจะสุขสอดไม่ใช่เข้าวัดนี่ออกวัดโน่นไปชั่อ ว, วัดโน่นไปกันหลามไปหมดแล้วม่อย่าอะไรกลับมาเสียเงินเสียทองไปกล่าวประสิทธิประโยชน์ เราดูดีพรามแต่ที่นี่วัดนี้มันจะดีพรามนะมาบวชถึงให้ถึงใจบวชถึงให้ถึงใจได้รัตนกใจยึดเหนี่ยวทางใจจิตวัวท่านไปเป็นการเพียงพอในทารบวชโดมจะเป็นผู้หญิงหรือก็เป็นผู้ชายไม่สำคัดผู้หญิงสามารถจะปฏิบัติกรรมฐานบวชแทนคุณบิดามารดาได้รดีกว่าเชื่อบางคนที่หนุ่มเหลือหงสเหลือง แล้วก็ไม่ทาอะไรไม่ปฏิบัติอะไรเนะี่ยมันแตกลางกันในเวลาอย่างนั้นโยมเป็นผู้หญิงก็ทดแทนคุณแม่คุณพ่อได้ข้าวปล่าน้ํานมได้ถ้าปฏิบัติกรรมฐานจะได้รู้เหตุการณ์ผู้ชีวิตจะได้มีบุพก า, าลีกระทาอยู่ถาวายที่สาวทรัพย์จะระมึกชาติคุณตัวเองจึงนั้นได้แน่นอนที่สุดแม่มียลายแปรผันนี่เปลี่ยนแปลงจะประการใดแต่ไม่มีใครทบ แต่เชืบบุญกัเยอะถอดสถิมบ้างถอประปาสร้างวัดสร้างอาคารกันเอาเงินไปให้คนโน้นไปให้คนนี้ก็ดีถูกต้องแต่ควรจะเป็นบุมสงเคราะห์คนรก่อนอันดับหนึ่งอันดับสองค่อยไปช่วยคนอื่นต่อไปผู้มานานแล้วไม่มีใครสนข้อนี้ไม่มีใครเข้าใจแกไประทานใจองค์นี้เป็นเรื่อนสาคัญนะแต่เราทําไมหนอเราไม่ช่วยตัวเองละ ขอ่าวกันจังหลายถ้าท่านปฏิบัติสมานิท่านจะช่วยตัวเองได้เนี่ยและท่านก็พึ่งตัวเองได้ท่านก็สอนตัวเองได้อย่างแน่นอนไม่ต้องไปหาพระที่วัดไหนอีกพระของเรามีประจำบ้านอยู่แล้วคือพระพ่อพระแม่ดยดดดอนมารดาเนี่ยเป็นข้าอาลัยของลูกเป็นกระผมของลูกมีครบชั่วจบวนตางในบ้านของท่านแต่ท่านตีความหมายผิดไปหาพระในถ้ำไปหาพระในเหว หาพระวัดโน้มเก่งอย่างโน่นเสื่อมราษฎรของขังท่านจะผิดหวังอย่างน้าทีได้ขอฝากท่านไว้จะผิดหวังไปหาพระลุงหน้าหนาทองขนาดพิยาโทเอสดไปลุงหน้านาทองให้พระเป่าหัวลถอมน้าจะลดในตัวเองขอฝากไว้พระพุทธเจ้าใหม่สอนจุดนั้นนะท่าจะผิดหวังอย่างน้าทีได้ท่านจะรู้ได้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรบ้าง ถ้าพูดถิงคนโอๆผู้ใหญ่ก็เรียกว่าสอนอริยศัย์ซีมมทุกสมุทายนิรศร์ของตรงนั้นแต่พูดตาษาเด็กก็สอนให้เธอเรียนหนังสือต่างใจเรียนวิชาความรู้ให้แก่ต้นนี่เป็นเหตุผลสันถาธทุละแปลว่าต้องเรียนต้องรู้ทุกวิชาไม่ใช่เรียนบาลีแปลบาลีแล้วก็ไปบทเพลงก็ให้หมด แต่วดวชละไปมาหาปริญยาทั้งหมดไม่ใช่ขั้งถาแปลว่านานาชนิดแปลว่าชีวิตจุ่การวิชาและตามศึกษาท่องเรียนทั้งหมดคือจะเป็นตามจริตที่ชอบชอบหมอก็เรียนแพทย์ไปชอ บ, บวิศวกรก็ไปเรียนวิศวกรนี่เรียนเรียนตามจริตไม่เก่แก่จริด แ, และเข้ามาอย่างนี้ถึงจะถูกต้อง ถ้าบุตรธิดาของเราชอบเป็นแพทย์หม อ, อยาบางครับก็ให้เขาเรียนหมอให้ไ่้เขาชอบเป็นแพทย์เป็นหมอเขาชอบเป็นวิศวก ร, รไฟฟ้าเขาชอบรักราชาตรหรือจะชอบวิชาวิทยาศาสตร์ตามผลเรียนรับดองว่าเป็นวิชาเอกของเขาได้แน่นอนที่สุดตรงนี้บางครับ นี่จะสอนเด็กต้องไปอย่างนี้เลยไม่จะสอนเด็กหลับตาไปสวรรค์หนูไปชั้นนนยิมานยามที่พกขึ้นเด็กเนื้จะเป็นโสดาเลยไม่ต้องเรียนนังเชื้อเราเป็นเจ้าสอนหลายระดับข้าความดีสอนในหลายวิธีไม่จะสอนมานั่งหลับตาไปวิธีเดียวได้ดีนะสอนให้เรียนก่อนแต่ทั้งหลายมีลูกมีหลานให้เรียนนังเื้อก่อน อ า, าจามาจแปงบกก้อนออกมาว่าลากักลูกพิดปูกฝาให้ลูกการพ้นตุกกับศิกษาให้ลูกได้ดีมีปัญญาไม่วิชาตั้งแตงให้ลูกเป็นคนดีก่อนนี่อาจจะไดบวชชีพรามเห็นบวชกันเลอๆไปเลยแล้วก็พระก็มีมนมามนีชื่อเสียงพูด ก, กันวันย่ค่แล้วก็ชอบฟังชอบพูดเลยไม่ดาอะไรเลยนะใส่กวนเทศในพระและ้วทำได้อะไรหรือ จะไม่ได้อะไรมีหลายว่าในประเทศชยทายบวชกันแบบนั้นแล้วเสียงกระดานป้ายว่าหลวงพ่อองค์นี้มีชื่อเสียงจะพูดตอนเ้าหลวงพ่อองค์นี้มีชื่อเสียงจะพทู่ตอนบ่ายก็ไปดูป้ากันแล้วว่าองค์นี้กูไม่ชอบเวย้ยอย่าไปฟังเลยออกมาเถอะนี่เห็นพูดกันยังนะองค์นี้พูดดีต้องไปฟังสักหน่อยเสียใจยั่วยวนจะไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้อะไรเลยแล้วต้องกินน้อยนอนอ ย, นอ ย, นอยพูดน้อยสาความเพียงให้นามากถึงจะได้ อาจจะมานั่งหลับหูหลับตาเดินกันควายหมดนะเดินกันควายแล้วจะเช้าไปตลาดซื้อกับข้าวมาใส่บาตไม่ใช่วัดนี้วัดไม่ใช่ที่นี่นะอาจารที่นี่นะชุดละสองร้อย่ยใส่บาตรนะไม่ใช่วัดนี้นะมาต้องใช้สังนะอาจารยเดินจะเป็นถนนเดินจะสวนสนามไม่ใช่พอมาเอาว่าจริงเหรอได้ไหมจริงน้อยอย่านอ้อยพูดให้น้อยทำความเพียรมาอย่าคุยได้ไม่ได้ มาคุยเนี่ยวันอื่นเห็นเตยมาไปเป็นวิทยากรเดี๋ยวนี้เลิกแล้วคือบทสีพรามเลิกไปแล้วนางกระเต็นสลาหมดไม่มีเรื่องอะไรคุยมินชาลูกกระไพคุยมินชาพ่อผัวแม่ผัวอาตมาเสียงหน่อเบี้ยปูจะแท่เรื่องแม่ผัวเขาจะให้ไปแท่เรื่องกระมาถาเลยแท่เรื่องแม่ผัวกับผู้กระไจบเวลาสองข้บอกเขาได้ยินมันพูดการสู้ประชุมมาลูกกระไพฉันนั่นจะแย่มา วแ่แม่แม่ผัวก็ว่าลูกสะพ้ายไม่ดีอีแม่ลูกสะพ้ายมันก็ว่าแม่ผัวไม่ดีก็จะบอกว่ามลูกกสะพ้ายฉันเป็นคนดีสักหน่อยได้ไหมมันจะได้ส่งเสริมแม่ผัวดีขึ้นเนี่ยกวนใจตามระวังนะมีไหมเนี่ยมีไหมเนี่ยแล้วนี่มี่นะมาแล้บุยปาดเอาขโอยเลยเนะี่ยขวาอย่างหนอข้ายางหนอเอแฟนกูมาไม่หนอไม่ได้เนะี่ยท่านทํานไมได้อะไรกลับไปเลยนะ เขาบอกว่าคนเราปากในชั้มพันชอบนงค่ะการปฏิบัติกรรมฐานต้องติดถาวรนะไอ้หมด้านสต ร, รไอด้ดีปากนี่ชั้มพันมากอาตมาจึงได้กล่าวขวัญตามปฏิธรรมว่าไปไหนาตาดูหูฟังปากนี่อย่าปากใส่ก่อนม า, ม, อาามานะิยามปากนะปาดูหูฟังปากนิ่งจุดเช็ด พิจารณาโดยปัญญาก่อนแล้วค่อยพูดออกมาบางทีเนี่ยประเพณีบ้านไม่เหมือนการวัดไม่เหมือนการอยวาเพิ่งไปพูดนะหรือคนอฏิบัติกรรมฐานเนี่ย เ, ยาาาาเยขาจะสร้างสติวิญญาตุจะไม่พูดเลยเนะแต่คนปฏิบัติให้ชาวไม่ได้เนี่ยชอบพูดชอบพูดก็ขอบฟังพูดแล้วก็มาอาบอ่านในอุาราแล้วก็ไปถ่ายเชเ็ดไปเหนือกันตัดแล้วลก็ไปถ่ายกันที่ไหนถา่นายาแล้วอาบมาด้วยอาบมาแล้วก็นอนข่ายกระปาก ชินไม่ได้นอนไม่หลับต่ อ, อไปไม่เจกกรรมฐานรันนี้แน่ขอฝากไว้กรรมฐานแปลว่าการกระทําให้ฐานะดีให้มีพระสิปัญญารอบรู้ในกองการทังฐานจะได้อ่านตัวออกจะได้บอกตัวได้จะได้ใช้ตัวเต้มจะได้เห็นตัวทาจะได้ทายชิ้ชีจะได้ยำรีชอบจะได้ประกอบผู้สอนได้ผู้นั้นนานสลักฐานน้ําพันพิจารณาอย่างนี้ใช่ในเย็มานั่งเลถึงจะไปสวรรค์ขอสามวันแล้ว เอาพระมาเท้สาหรับยาแหละยาที่พกขึ้นนหละระวังนะยาที่พกนะไอหาหลวงพคูณฮนะายาหลวงพคูนดีกว่ายาที่พกนะหลว่าคูณหาเงินยากเป็นร้อยล้านถวายนี่หลวงไปหมดแล้วมีเหตุทอนไม่ใช่มาเอายาต้องตามจะมาใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาเนืจะได้รู้จะได้สวยจะได้รวยจะได้สวยจะได้ดีจะได้มีปัญญา เราจะได้ไปแก้ปัญหาชีวิตในครอบครัวแก้ปัญหาให้ลูกต่อไปอย่างนี้จึงจะถูกต้องไม่จะมานั่งเอายาไปสิบหกและไปสวรรค์นิทานก็แค่สมบัติมนุษย์ยังรักษาไม่ไายเลยแล้วเราจะไปสวรรค์ได้หรือสมบัติมนุษย์เราก็ยังไม่มีเลยจะไปการใดนี่แหละพี่น้องศิลั์ทั้งหลายที่โฉมนุษย์จะปฏิลาภเกิดมนุษย์จะแสนยากแต่ทําไมต้องทําความมนุษย์ให้แตก ตามได้รลปกายชนี้น่ะเกิดโฉมมนุษย์สัพิลาโพเกิดมาเป็นมนุษย์ยากมาถ้าญาติยมไม่มีคุณสมบัติสิ่งประชามด้วยสามระบทสิบมาแล้วโยอมจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้กายกรรมสามวิธีกรรมสี่มโนกรรมสามทอกถึงจะเกิดเป็นมนุษย์ได้มนุษย์เกิดขึ้นหนึ่งคนเนี่ยสาบเดรฉาเกิดถึงล้านตัวราธาเสียทีไปเกิดเป็นเดรชาเลยนะ มีต <N> ัวอย่างชีวะนี้เยอะ้เกิดเป็นเดรัจฉานเนี่ยชีวะนี้ไอห้หมีไอห้หมีมันตายไปแล้วเนี่ททยท้ายยกชีวะนี้เกิดมาเป็นหมาแทนปลาอันหมีไอ้หมีชีวะนี้อันนี้ก็ไม่ขอกล่าวเล่าเหตุการณ์ได้ไอ้หมีเนี่ยการสกูปัญญาเฉลี่ยไว้หมีเหตุผลนี่นาฟังเหตุการแต่แก็ไม่ขอกล่าวนะในที่นี้มีเหตุผลเกิดเป็นเดรัจฉานได้ ขอฝากท่านทั้งหลายมนุษย์เรายังรักษาไว้ไม่ได้จช่นจะไปรักษาอะไรไม่ก็ไปเอาสวัสดิภานเอาสมบัติมนุษย์จิตโฉมนุษย์สัพดีลาโพของโคนเนี่ยเกิดมาเป็นมนุษย์ดักการเวนกรรมมาเวนา้นกรรมตัวมาออกให้ทองแม่เป็นง่อยเปรี้ยวเสียขาเป็นใบหูหนวกตาบอดเห็นไหมเนี่ยร่างกายไม่สมบูรณ์เลยเนี่ยจิตโชมนุษย์สัดีลาโพเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นใบออกมาเนี่ยพ่อเป็นหมอ งพอเป็นแพทย์จะอย่ออกชื่อโรงพยาบาลไหนแม่ก็เป็นแพทย์หญิงด้วยลูกเป็นน้อยสองคนเลยออกไปคนที่สามผ่าเป็นบ้าอีกไม่พอเป็นหมอเป็นแพทย์แม่เป็นแพทย์ลูกเป็นบ้าเห็นไหมกระดูกเป็งน้อยมันประกอบแทงกามลายอันนี้จะไม่ขอกล่าวให้ท่านฟังหมาจะว่ามีโสภาโสพีหน้าตาดีๆทุกคนไม่ใช่ เกิดมาวายวังไม่ครบบริบูรณ์เพราะกคตห็นกรรมที่จิตตามมาบางคนเนะี่ยเอาลูกมาให้ดูเนี่ยขนาดพ่อแม่เป็นเศรษฐีนะลูกเบอร์ไปแล้วไม่พูดไม่ชายหรือวันนี้มาจะพลาดายอีกเนี่ยหมาปีบอกให้รักษาไม่หายแล้วต้องอาศัยอธรรมะอาศัยพุทธคุณอะไรเนี่ยไม่หายเนี่ยรักษาโรงพยาบาลห้าปีไม่หายนี่มาจะพลาดท้ า, ายดูนะรู้เลยไม่หาย มีนายแพทย์ยมาจะมาไปพูดคิดถึงแต่ที่ปีดที่โรงพยาบาลสินราชเมื่อปีที่แล้วในาแพทย์โทมาจัดสหรัฐมีกามาบอกให้ในายแพทย์ถามมาตมาว่าลูกเนี่ยลูกสาวเนี่ยเลี้ยงเก่งปริยาโทเลี้ยงเก่งเล่นเกาหน้าตลอดมาเบอร์สองไม่ขีดตัวเแหละขีดตัวเนี่ยมีลูกสาวคนเดียวนะที่วอชิงตั น, นเขาไม่ได้สวดมนต์ไหว้พระเลยเนะ เนี่ยทางนี้เขาไม่ส น, นแล้วก็ให้ในผ้าย์สาวจะมาบอกเร า, าพ่อช่วยใจไหมเราก็ดูแล้วผ่านออกแล้วบอกนี่อย่าไปบอกนะก็บอกกับเพื่อนเขาที่ศิลาอย่าไปบอกเพื่อนในทะ่าที่บอลทิงตันตายไอชาสายตายเนี่ยเนี่ยนี่มีู่าวคเดียวเนี่ยขีดตัวเรื่อยเลยเนี่ยเอาไม่ขีดตัวทำยังไงอดเชนกามอะไรนี่นางกรรมามจะรู้ได้ เนี่ยกล้าให้จริงๆหน่อยให้ชนะจิตใจตัวเองได้ไหมถ้าชนะได้ยมจะรู้จริงถ้าแพ้จิตใจคุณยมเองเนี่ยโยมไม่สรงมีโอกาสจะไปชนะใจคนอื่นเขาได้แพ่คนอื่นตลอดไม่มีโอกาสชนะใจตัวเองได้แล้วจะไหนจะชนะใจคนอื่นเขาได้หระอันนี้คอยสําคัญนี่คือกฎแห่งกรรมนะถ้นนนะนนานานเจริญกรรมฐานนะยอมจะระลึกเหตุการณ์ชีวิตไ ด, ด้สองรู้กฎแห่งกรรมสามแก้ปัญหาอย่างไง ครบจบะปลากู ข, ของวัดอัมพวัรู้กฎแห่งกรรมวัาตรงนี้รถจะแกกรถมันจชนรู้ไหมอาตมาต้องท้าทายเยอะ่อาตมาไปผู้รู้เนี่ยนี่คอหักแลวให็นไหมรถชนคอหักไปแล้วรู้รวมนาหกเดือนในกรณีไม่มีพยานนะมีพยานหลักฐานครบแต่ถึงเวลาสี้าอาทิรถก็ชนคอหักทับไปเลยเราจึงไม่กล้าเท่าไรหายใจสังชะดือด้ เราตัมูกมันเต็มหมดแล้วเลือดเต็มตับมูกคอหอยเต็มเสลดทำํำมาให้กายช่างเสลดาช่างเห้ได้ฝึกแให้ได้ฝึกใกล้ได้ไไดเนี่ยขอขอเชิญพรบางคนก็อาจจะลูกลุกคือแต่ตง า, มมานนะเจ้าวังชยัยอยู่ด้วยการมาทิ่ห้าปีปัญาสร้างหัวมันไม่มีแล้วบอกนี่ปัญหาในยาเข้ากรรมฐานเจ็ดวันเลยนี่ยไม่เอาทําไงก็ไม่เอาเลยต้องลดควานคอหากตาย ที่บางงานเศปากบางทำทีตายไปแล้วเห็นไหมเนี่ยตายแล้คนขับรถนะคนอื่นเขารู้จักมันอยู่กับเรามาทีาพรตียังช่วยเขาไม่ได้บอกให้นั่งก็มาถามไม่เอกบางคนมานั่งหัวขาดอยู่เป็นปริญาโทรไปอาจารย์ชิ่อกุติบอกอาจารย์บ่ายสองมงเขาไปไม่ยอมเชื่อให้รถทนตาที่อ่างทองเห็นไ้ย เดี๋ยวนี้ไม่บอกแล้วเลิกบอกแล้วเลิกบอกใครจะหัวขาดไงไหนไม่ช่างอะไรไม่เอาเนี่ยไม่ได้ผลเพราะเขาไม่เชื่อรเราถ้าเชื่อเราเราจะบอกให้ทําให้เชื่อเลิกบอกนี่อยากมาถามจะรู้อย่างจริงๆังเนี่ยยืนหนอก้าครั้งทําให้ได้เดี๋ยวก็วจะอธิบายให้ละเอียดถี่ถี่นะเราคนเนี่ยมาเจ็ดวันเดินหนอยังไม่ได้ไม่รู้จะ ย, ยืนยังไงไม่รู้จะปฏิบัติตรงไห น, นตั้งสมาธิตรงไหนก็ไม่เขา้าใจ ตั้งมันผิดจุดพิรุณจะถูกเน็ตแต่ไม่ได้ก้าวกระสัตลอดตายโยมจะจําอะไรไม่ได้นะบางทีอายุมาเขาก้นเน่ายังไม่เด็กก้นลหลงไหลหลงลืมเนี่ยกะระวังนะตายไปนรกทับทุกลไลนเมื่อขาสติทันไมชัญญะตรงนี้การจเจริญกระบาดฐานต้องการจะปลูกสติจะได้ยารีชอบจะได้ดกระหอบกูชอนเราจะได้ผลนานสลักฐานทั้งคันตรงนี้ถึงกระถูกก็ง้งมาจะมานั่งกระส่งเด็ด น, นั่งๆแล้วสาวสักสามสิบนาทีก็ไม่ได่เอาถึงเ็มองพ น, น้าสี่นาทีเลิกแล้วเลิกแล้วปวดหนอบวดหนอเดี๋ยวมีไทยมากระซิบนะเลิกเพล่เลิกเพล่เลิกเพล่เลิกเพล่ อ, ล อ, ล อ, องยังไม่ทันหนอายุบยุบยังไม่ทันหนอ่ทองขึ้นเลยนะที่จะได้ลายหายใจให้มันยาวหน่อยได้ไหมนคนหายใจช้านหนึ่งโมโหเก่งคนอีฉาเก่งนหายใจช้าแล้วเึงตัวเหม็นด้วยเก่งตัวเหม็นด้วยนะ คนเราแพทยีเนี่ยนี่หลักจาบหลักสูตรทำหลักสูตรได้นี่ยแต่ขอฝากญาติโยมไว้ในหละสร้างความเป็นมนุษย์ไทยสมบูรณ์แบบคือศีล ม, มีสติรมชัญยากำหนดจิตคือสติปัฏฐานสีนั่นแนหะคือศีลต้องการให้เรามีศีลมีธรรมคนเกิดมาเนี่ยเหมือนกันแนละ้วเกิดมามีหูมีตามีปากมีฟาน ม, มีกันทุกคนแต่เพศหญิงชายตา่ตางก็ด้วยก่แทงต วคนเกิดมาเนี่ยมาเอาไหนเลยม้ถ่ายตารกล้องพี่น้องการใจท้องเดียวเหมือนกันทุกคนไหมพี่ดีไอ้น้องไม่เอาไหนไอ้น้องดีพี่ไม่เอาไหนแล้วก็โตขึ้นแล้วก็เลียนสูงไปเทคโนโลยีแย้งสมบัติกันกองร้องที่หลงศาลเนี่ยมาร้องหาชีวิตนี้แต่ละวันเวลาจดเขาวาบันทึกประวัติาศาสตร์ป้องบันทึกเป็นกฎแทงกล้ า, ามตัตมาได้ตำน า, าจากโยมเนี่ย โยมมาเนี่ยสมาบูนาโยมออกนะร่จ า, จาจัมลาํามลาจะโยมพุทธะแพทย์นี้จะเกิดอะไรขึ้นมาพุทธะแพทย์นี้มีเชาวฉลาดแค่ไหนอย่างไรมันจะบอกสีหน้าออกมาเลยนะบางทีเราถามปัญหาเนี่ยขนาดตรัวจานต่อปตมาได้ที่ไหนคนสวยอยู่ที่ไหนอยูชี้ใจมากอยู่ที่ปากทั้งอยู่ที่ตูดมากคนสวยอยู่ที่คนชอบงอเพชร ถ้าคนไม่ชอบจะเป็นคนสวยไจะยังไงฮะตอบใช่ไม่ได้ถ้านั่งกรรมฐานโดนไปตอบแด้หมดประกอบได้หมดโ ด, ดยกานออกบอกได้ใช้เป็นนะตอบถูกตอบให้มันถูกจบทีละมุดจะไม่ถูกแม้มานั่งกรรมฐานให้มีสติปัญญาไม่ใช่มาให้ให้การเป็นคนโง่อย่างที่เขาพูดกันตามเมืองการทุกทุก่างไม่ใช่แน่นอนอยน่ยขอฝากท่านทั้งหลายด้ว ย, วยนีย่เหตุผลแล้วคนลูกกอดเห็นตาม น่าให้าสามข้อบางคนมาท่วงทิงเราระลึกได้ยังไงก็ระ ล, ลึกชาติของตัวเองชาติคือแปลว่าอะไรก็แปลหลักใหญ่ก่อนชาติสีแดงคือชาติสีขาวคือระศาสนาสีน้ำเงินนั่นหนาคือพระมหาจากกักรพงษ์แปลนี้ก่อนสีแดงคือชาติสีแดงก็คือตัวเราทุกคนระ ล, ลึกชาติระลึกตัวเองว่าปีที่แล้วเรียกาพนันมาก มาพี ก, ก่อนเที่ยวเทูไปพีกรอนขาดทุนไปเล่นการพนันขาดทุนไม่ได้ไม่เสียแล้๋ยวก็ปีนี้เอาดีไม่ได้อีกนะเระลึก อ, อ, อย่างนั้นบางคนมาฟังตอบเราโต้เราบอกเรื่ลึกชาดอย่างไรก็รืลึกชาดอย่างนี้สินั่งกรรมฐานมาได้ออกจากตัวคนปฏิบัติไม่จะจะมาไปพูดชงเดชบทอุสริมนุษยธรรมนะไม่ใช่เราปฏิบัติได้เรจะรู้ว่าโกเ็นกรรมว่าเรา ทำอะไรไว้ทำบาปตรงไหนไมันก็ได้รู้หม่ายก้มาจะรู้เหรีย์ อ, อหกักก็ทำบาปได้ใช่แล้วลึกได้ว่าเราเป็เด็กนักยอมสาบไปยิงนกหักคอมันนอนตรมแผนที่ถ่ายภาพไปทีนาเอาประชุมมันน้องไส้ลายยังยังมีอ่ะมีแผนที่ให้ดูด้วยว่าหนองนี่เราไปยิงนกหักคอมันแล้วก็เราก็ขอหักอย่างนี้แับยอมสายิงนกชันชกนแล้วก็ราก็รอหักอ่บยอมสาไปยิงนมัล้า่า เราไม่น่ากรรมฐานาจะได้รู้เวรกรรมตามาสนองเราจะได้ไม่ปฏิเส ธ, ธทุกข้อหายอมรับกรรมอย่างโดยดียอมรับตามพอหาแขนหาขาหักแล้วยอมฟ้าพาแล้วไปน้ำร้อนลือกไปลวกครับยอมรับกรกกกกมรมรรที่ทําไว้สัตว์โลกยอมเป็นไปตามการรมอย่างนี้แหละหนอไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับตรงให้ดีได้มองเนื้อตาจากการเจริญสกรรมฐานคุณจะรู้เท่ารู้เหตุรู้กรรมได้ แล้วเราจะรู้แก้ปัญหาอย่างไรในโอกาสขณะมีอนาคตมันจะเกิดขึ้นอย่างไรเราเลือกชาดดาสองรู้จุด ต, ตัวกรรมสามแก้ปัญหาอย่างไรจบรายการมารอพวันได้มีปัญหาเกิดขึ้นจะได้แก้มันถูกต้องรู้จุดในการแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากนั้นจากทุกอะไรยังนี้จะจดถึงจะแก้ไขได้ยังนี้มีความหมาย แล้วกับประการที่สองที่ของหายากที่สุดเราก็ไม่ได้ดูกันกิจสัมมัจจานาชีวิตกันชีวิตที่เราจะรอดจากความตายเนี่ยออกจากท้องแม่มาถึง่านนี้เนี่ยยากหายากกิจสัมมัจจานาชีวิตกันเปิดมามีชีวิตถึงอนาดนี้เนี่ยหายากบางคนไม่ทันล้องขาจะท้องก็มากหลายบางคน น, น, นี่เจริญว้เศาสาพอที่ท่าโยโที่ภูเกินยอง กำลังน่าราักน่าถันบิตามารตาก็มาตายใช่เนี้นี่สองวันนี้โทรมาร้องไห้บอกฉันร้องไหาา้ภาษาเบสเปรเนี้ลูกขาวจบด็อกเตอร์ที่กรุงปารีสั่งเศสไปเรียนมาตั้งหลายปีหมดตั้งหลายล้านกลับมาบ้านได้เจ็ดวันคุบตายคาที่แม่ก็พอก็ร้องไห้ ว่าลูกเนี่ยไปเรียนถึงฝรั่งเศสแล้วกลับมาตายระวังนะอย่าประมาทนะอย่าประมาทว่าเราทำให้ตายนะถ้าจบวิชามายังไม่ได้เข้างานยังไม่สนองพระเดศกุณบิดามารดาก็มาตายเนยควบล้อมลงไปยเยยังขาวอยู่นะยังขาวอยู่นะทำให้ตายละดังเราเนี่ยแก่แค่ไหนเนี่ยเราสาวน้อยกัฉะนั้นนะระวังนะอย่ากีดขังมัจจานชีวิตตั้ง ชีวิตที่หล่อค้นจากความตายมันมีโชคดีอยู่แล้วยังไม่สร้างความดีเลยคุณเพี่ทั้งหลายจ้ะเนี่ยแล้วสาวน้อยเั้งนั้นเลยเนี่ยน่ า, ารักทุกคนนแล้วนี่ก็นมน้อยนะ า, ารักน่าใครน่ายินดีหน่าปรีดาแต่อยากขออย่าให้หน่าเวทนาขอให้มีแม่ตาปานีอริเอฟเพืวคขาดเรือทะลุกันต่อไปเฉิดกระเฉิดที่สุด นีหลติดฉาบมัมจารในชีวิตกันชีวิตจะรอดพ้นความตายแสน จ, จะยากมากยอมโชคดีเนี่ยรอดความตายมาได้บางคนเนี่ยตายในท่องเลยนะยังไม่ทันล้องตายในท่องก็ยอะแยะออกมาลองเอาแวนยังไม่เห็นหน้าพ่อแม่ก็มาตายเฉเลยบางทีพ่อจากพ่อจากลูกยังไม่ทันออกมาลูกยังอยู่ในท่องพ่อไปนในพันเอกทหารสูนการทหาังป็นใหญ่ ไปตายซที่สนามลบเวียดนะลูกยังอยู่ในท้องแม่ลูกของนายพันเอกไป ต, ตายสงครามที่เวียดนามอาตมาจําได้ชัดเด็กเอาเมียมาร้องไห้ที่นีท้องตอท้องตอบอกพ่อเขาตายที่เวียดนามแล้วแต่ไม่ได้โยนลูกเปื้นตายหัวใจวายต า, ายเพราะเหตุใดไม่ทราบสงครากินเหล้ามากไป อยู่ในช่องคล้องความด้วยตาใม่เห็นหน้าลูกแล้วลูกก็ไม่เห็นหน้าพอ่อแล้วลูกเป็ยังไงลูกออกมาโตเขาแล้วมันไม่เห็นหน้าพ่อมั้งไม่รู้เรื่องรู้ภาษาด่าทหารแดกเลยมาด่าทุกวันที่เลยนะทหารอย่างนี้ทหารอย่างนั้นในแดกท่านทั้งหลายเ อ, อ๋ยจิาตฉังมัจานะชีวิตกลางชีวิตเนี่ยจะหลอดพ้นจากความตายฉันจะยากมากจิตจิตฉังสัทยธรรมมสวนรัง ชีวิตจะมีจะมีโอกาสฟังเทศฟังธรรมก็อยากอ ย, กอยู่อยากมากแต่จ้างมาฟังเทศจะไม่มีขยากมาเลยมี่มันยากอย่างนี้ประการหนึ่งมีลหมเนี่ยวันช้าเนี่ยบัดเดียวบัดตายมานั่งฟังเทศจะ ม, ม, มั้งไหมไม่มีแล้วเขาไม่ว่าถึงกับจ้างเขาก็ไม่มาแน่นอนที่สดุดนี่อยากติดช้งกับธรร ม, มาสุวรังอ่านที่จะฟังธรรมก็อยากติดโพพุทธานุปปาโท การที่จะเกิดมาพบพระพุทธเจ้ามาจัดในโลกอย่างนี้เนี่ยก็แสน จ, จะยากเยลยเรามีโอกาสได้เกิดที่ประเทศสินฐานที่ไม่มีหลักศาสนาไม่มีพระเจ้าเลยเราจะเสียใจไหมจะอ้างวางไปไม่นอนขนาดนี้พระพุทธศาสนาอยู่นี่ยังทำผิดยังพุทธจิตผิดสินธรรมอีกมากมายหลายประการทาไหานี้พระพุทธศาสนาเลยเนี่ยถ้าจะว่าเวแค่ไห อาจะหลงทางไปไม่ช่น้อยขนาดนี้ทางแ น, นวทางก็ยังเดินทางหลงทางตลอดชีวิตน่าสิ้นดายมากในการปฏิบัติกรรมฐานก็คือการเล่นสติปัฏฐานสี่ต้องการให้เรามีสติปัญญาไว้ที่ตัวเองไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วเรามีอยู่แล้วเนี่ยเอามาใช้หน่ยไหมการสติขึ้นมามั่งใจไหมเช่นสติปัฏฐานสี่ก็คือกาย า, า, านุปัสสนสติปัฏฐานกาจะยืนหรือกาจะเดิน การจะนั่งหรือจะนอนนี้สติกําหนดว่าทุกอายุหมดนี่เรียกว่ากายานุปัสนายืนหนอห้าครั้ยังไม่มีใครทําได้เดี๋ยยืนออกไปเนี่ยเอามือไายหลังหลับกามนุภาพกางสติไว้ที่นี่ขม่องนี่ขม่องตรงนี้เอาจิตตาตรงไปยืนหน่อลงปายใจช้าอาฮัว่าผู้ใหม่เลยเนี่ยยังใหม่ ต่อการปฏิบัติยังไม่รู้ให้หยุดจังหวะที่สะดือสายมาถูกเรื่องหน่อยนะไหมยืนถึงกระเดินวักถอนหาใจแล้วก็นอลงไปไต่เท้าคุณละขึ้นทําไมเนะช่องหลับไหนผู้ยังไม่รู้เรื่องเลยเลยยังไม่เคยทำข้อไม่รู้จะกําหนดอย่างไรยืนถอนหาใจที่สะดือ เขามะสอนให้ใจเข้าใจนะ้ี่ยอ่ขอข้ใจก็พาวไปนอลงไปตปลเชา้าแล้วก็าชมรวมจากตปลเช่ารับตามนโนภาช่อมนวนจากตปเชา้ายืนพอมให้ใจทับแล้วก็เนาลงไปตรงนี้เนี่ยสำหรับใหม่ห้าครั้งหนึ่งลงไปสองขึ้นมาสามลงไปสขึ้นมา ถ้าลงไปถึงตาเท้าเลืนตาดูกายเชา้าอยา่าไปดูที่อื่นอยา่าไปดูบางทีครัวจานสอนโน่นให้ดูพรมหมนุนดูได้อย่างไงต้องดูที่เช้าของตัวเองสร้างสติว้าชิดลายเท้านั่นขวายางหนออย่าเพิ่งยกอย่าเพิ่งยกตรงนี้ละคนขา้ายางหนอยังไม่ช้าเ๋ยยกไปอยละใช่ไหมนะ ใช่ไม่ได้แล้วไม่ไดผลมันไม่เด็ดจังหวาสากคนทําให้มันถูกเลยเลยไหมต่มาเห็นว่าคนทำไม่ได้แล้วบางทีเจ็ดวานมาบอกเดินให้ดูเดินไม่ได้เดิ น, ดดนสับสนเดี๋ยวข้าเดี๋ยวขวาแหละอย่างนี้เป็นต้นกล้องขวายกขึ้นหน่อยเดียวแดีวก็ยกหมดเตะก้าวยาวชั้นก้าวยาวจำเพาะที่เราเตะเดินตามปกติอย่างนั้น บางคมนมาอยู่สามวันทําไม่ได้เลยอะไรก็ไม่ได้เลยไม่ได้สนใจเลยนะไม่ได้สนใจถ้าสนใจหน่อยได้มาด้วยสัทธามาด้วยความเชื่อเรื่องสายต้องบด้ทุกอ่าถ้ามาตามเข้าไปก็ไม่รู้เรื่องจะย่นได้อะไรนะได้อะไรบ้างไม่ได้เดินให้ช้าสุดขวายาหนอลงพื้นพอดีอย่าเพิ่งยกนี้ อย่าเพิ่งยกไปมันจะเป็นอดีตยืนไว้ก่อนยาหนอดืนไว้ก่อนอย่าเพิ่งยกมาถึงจะได้ชำละขวาย่างหนอยงี้สิแล้วเวลาจะชดก็ขวาย่างติไปกลับหนอกลับหนอกลับช้าตรงแล้ยืนหน่อยหครั้งเอายืนหน่อยห้าครั้ง รับรองได้ผลแน่ชาชามตามที่สอนนี่ทำอะไรชามตามนี้มาตามตามใจนะไม่ได้ไรก่กบไปแล้วแต่เชื่อคมณนเหมาเนี่ยเอาอยัางนี้อย่างนี้เลสเลทล่าทาไปหมดยังไม่ได้ไร่ร่ลาจาวยาเดินตรงกลมเนี่ยมันมีฟุ้งซ่านหยุดอย่าเดิดดตนต่อหยุดกําหนดนี่ลิงไปนี่ฟุ้งซ่านเนอะฟุ้งซ่านหนออย่างนี้ พอมันฟุ้มคานหายแล้วก็เดินต่อไปนะพอเมื่อยปวดยุดอย่าเดินต่อปวดหนอตุงไหนย่างเอาให้ชนะมาให้ได้ปวดหนอปวดหนอเสร็จแล้วเดินต่อไปไปแล้วจะกลับกลับแล้วเดนหนอห้าครั้งแล้วก็เดินมาจะกลับแล้วเดนหนอห้าครั้งแล้วก็เดินต่อไปจะทําอย่างนี้ได้ผลเนี่ยภายในคืนกับวันเนี่ย เดินหนึ่งชั่วโมงหนั่งให้ได้หนึ่งชั่วโมงอย่างนั้นเวลานั่งพองหนอยุกหนอนี่หายใจให้ยาวชิชน์หายใจให้ยาววางคนนี่กลับไปย่าบอกว่าทํายังไงพองขึ้นยุกลงพองขึ้นยุกใช่เหรอใ ช, ใช่ได้เหรอนะเราบอกว่าบางทีกําหนดสตินี่นะลู่หนอลู่หนอเนี่ยให้มันยาว เลยก็เข้าใจผิดว่าพองหนอยุกหนอไปขึ้นขึ้นลงลงนี่ยงฟังผิดจับผิดไปเดี๋ยวก็กําหนดไม่ได้พองหายใจให้ยาวยาวอย่าเพิ่มกําหนดผิดพองอย่าใช้สตรก่อนหายใจยาวยาวก่อนให้มันทั่วท้องหายใจใันเคยก่อนพอเคยแล้วก็หายใจเข้ายาวยาวพองจะพองก็พองหนอยุกหนอ ถ้าพองมันยาวแล้วก็หนอไม่ลงเอาคนละึ้นพองครึ่งหนอขึ้นยกขึ้นหนอขึ้นได้ไหมเอาไม่ได้พองเเสี่ยวเดียวหนอสามเสี่ยวยกหนึ่งเที่ยวหนอสามเที่ยบเดยอะได้แล้วอยาเข้าก็พองหนอยกหนอคล่ อ, องแคล่วึกองน์นี้ทําตรงนี้นขอฝากกันด้วยนะเดี๋ยวจะทำเลยไม่ได้กลับบ้านเนีลยเดยตัวตัวไม่ได้กลับบ้านเลเ้กไ็ได้ไล่ขึ้นมาแหละ แต่มัวไปน่าคุยการจะเสียหายมากสั ม, มยาอะไรเกิดขึ้นแล้วขอฝากไว้ทำให้มันได้ตรงนี้พอพองหนอยุบหนอเสียดายก็ได้ผลอยัางยืนหนอเนี่ยถึงคดีเนี่ยถ้าเราทํำด่าแยกมาตรงจุดละยืนหนอมันจะคล้องยืนหนอพอดีก็จะถอนให้ใจเดียวแตคนใหมยจะต้องถอนให้ใจตรงเดีก็เดียดายเพ้าะยังไม่เคย เคยยากไหมาต้อนอาจจะคล่องแคล่วขึ้นทําให้มันชุกวิธีหน่อยได้ไหมเอาเวลานั่งพองหนอยุบหนอต่อบไปไม่สบายใจเลยเสียใจเรากำหนดเสียใจอยู่ที่ลิ้นปีเนี่ยถอดใจกว่ากำหนดใช่ถ้ามันปวดเมื่อยตรงนี้เราหยุดพลองหนอยุบหนอเอาที่ระยานเอาชนะให้มันได้ชนะให้ได้ปวดหนอปวดหนอ ยิ่งปวดหนกักยิปวดหนกักยิ่งปวดหนกันหนกอ้าสู้กันต่อไปเดี๋ยวก็เกิดขึ้นตามอยู่ดบาบไปเวทนาก็แยกไปหายปวดเลยหายเลยแปลวัชนะแต่เรามาปวดท้องเนายบเนาปวดเยอะเกินหนาปวดหนาเดี๋ยวกูจะไปห้องน้ำก่อนเนา แล้วก็มาแล้วก็มานั่งคุยกันหน้าห้องน้ําหนาะแล้วพรุ่งนี้กูจะเดินตรงกลมใหม่หนอะสิร้อยปีก็มาได้หนอไม่ได้เลยแล้วแต่อย่าคุยนะเนีย่ยขอร้องหน่อยนะกับพูดกันได้จะอย่าคุยคุยนี่มันสาวกสา ว, าาวสาวความยาวสาวความยืดไปคุยกันเนี่ยมาเนี่ยมาต่างถิ่นแกอยู่ที่ไหน่ะ ฉันอยู่ที่โ น, น่นแล้วแกแล้วอยู่ที่ไหนล่ะฉันอยู่ที่โนอนเป็นไงเรามีครอบครัวยอย่างไรฉันยังไม่มีนะอ๋อไม่ควรมีก็อย่าเลยดูตัวอย่างทีฉันนะคะหัวฉันไม่เอาไหนเลยนี่เห็นพูดมาไม่ต้องมนะอยู่ที่กุจะยืนจะยืนนะโอนี่นายยแล้วกระซิบนายยืนนาะยจะบอกให้นะเชื่อไหมไม่เชื่อตอนนี้นะอย่าพูด อยากลมาท้าก็ห้ามพูดนะทำอะไรให้ได้ปัจจุบันอย่าเอาอนาคตรหรืออดีตมาขวาย่างเนี่ยสมชัย ญ, ญาประพระหงอพื้นไปอย่าเพิ่งไปยกแล้วคนขวาย่างงอยกไปเลยใช่ยาอ่ะต้องหยุดจังหวะหน่อยได้ไหม เคอเดินให้ดูไว้หลายเชี่ยวเนี่ยขวายางนอดุใช้าค่อย่างไปบางคนขวายางหนอไปนี่แล้วก็ใช้ยา ง, านายางนหนอไปก่อนเสียจังหวะหมดขณะจังหวะอย่างนีน้นนแล้วเราก็หลักกาเดินได้สพราะสติมันครบแล้วไอ้ที่เหตุที่ก้องห้ยตาดูเท้าคือสมาธิยังไม่เกิด ยังมีสติไม่ได้ต้องเอาอย่างนี้ถ้าเวลาดื่มพรัทชาจุดเข้าถึงขั้น80เปอร์เซ็นก็ไม่จะไม่ต้องไปดูอย่างนั้นด่าสตีมันจะบอกทุกขั้นทุกระยะอย่างนี้ฉันจะถูกต้องแตพง่พร่องหนอยุกหนอมก็พรองขึ้นไม่กลับไปเด่งท้องนะบางคนบอกล้มขึ้นคือยังรุ่งเลยอาญาลมกินจังสองขวดก็ไม่หายก็จะไปหายยังไงแล้วก็เบ่งเอาล้มออก เบ่งดันท้องเข้าไปดันอย่าไปเบนงก็ให้ใจยาวๆเท่านี้เองไปเบ่งท้องทําไมถ้าโยมตั้งครรนนะมันจะออกมานะเดี๋ยวจะมาออกลูกที่นีดีะดุ่งนะอย่าไปเบงอย่างนั้นสิไปเบงมาทำไมก็พองหนอยุบหนอถ้ามันไม่เห็นไม่ยบไม่ทองมันอึดนะตึดกำหนดรูหนอรูหนอใช่กำหนดรูหนอที่ยื่นไปเนี่ย สภาพหนึ่งและกําหนดของหนอยุ่งหนอมันจะชัดขึ้นทำให้ชาติถึงสองครั้งสามครั้งให้เดินจงกรมใหม่ไปเดินใหม่จำไว้วิธีแก่บางทีไปบอกกันผิดผิถูกถ้กถามันไม่เห็นจริงจริงก็กําหนดรูหนอรูหน อ, ล ห, นอหลายครั้งก็ไม่เห็นมองไม่เห็นเลยเพราะว่าสมาธิมันอาจจะดีขาดสติอาจจะไม่เห็นไปลุกไปเดินจงกรมใหม่ เดินจกรมหนึ่งชั่วโมงเลยเดินแค่เนี่ยแล้วก็อนมันจะเห็นทองยุบบายขึ้นจึงต้องเดินจงกรมก่อนเสมอแต่โยมที่กลับไปบ้านแล้วคิดจะเดินจงกรมบอกพ่อฉันมากลับไปจากวัดนี่ฉันไม่เคยเดินเลยนั่งกับพึชเดินไม่ได้แล้วจะพึดใชเดินก่อนใชแหมไม่มากง่ายเลยก็จะเดินได้ก็เดินก่อนถ้ามันเดินไม่ได้จริงๆบางครั้งมันสั่นอัดเพล็ดเราก็อนั่งไปก็ได้ แต่บางครั้งมันจะอาเกก็เดินตรงกรมก่อนเสมอนั่งแล้วมันถึงจะดีขึ้นพอเดินจงกรมสมาธิดีนั่งเขาจะได้ผลนะคิดต้องให้เดินก่อนแล้วโยมเนี่ยเดินตรงกรมได้ดีหมดทุกคนแล้วไหมยกมือกันใช่ใได้แหมบางคนบอกโอ้ยเรื่องเล็กเลยหลวงพออาา่อคะเรื่องที่ไกลเรื่องเล็กออกมาเดินให้ดูที ออกมาเดินออโหเดินแถวคาอย่างนได้อย่างน้วาอย่างน้ออย่างเนะ า, านะแล้วก็แมมีลูกเล่นเถอวาอยานอ้อไ้ยาไม่รู้ออกมาจากไหนไม่ได้อนทเลยเป็นโขนไปเสอเนะก็เดินธรมนนนรมดาธรรมดาแต่ให้มันช้าลงไป เดินตามปกติที่เราเดินนะี่เนี่ะเราเก้าสั้นเก้าว 9, 9, 9, ยาวแล้วก็เดินตามเก้าของเราให้มันช้ายิ่งกว่าคนเป็นค่ายแล้วสร้างสมาธิประจานั้ะเท่านี้เองแล้วหูได้ยินเสียงกําหนดจะงายโยมเอาจิตไว้ที่ไหนแต่ได้ยินเสียงเนี่เอาจิตไว้ที่ไหนจีตไว้ที่ไหนเอาไว้จิตตาใช่ไหม แต่ผู้ปฏิบัติให้เคยผ่านไปชั้นหน้าที่ได้เสียงหนอดิเสียงหนอเสียงใครพูดอะไรเขาด่าอะไรเสียงหนอตั้งสติว่าจีหูเอาเอาเสียงไม่จีหูเสียัจะเกิดทั้งหูต่างสติไว้เดี๋ยวก็จิตมันก็เกิดขึ้นมันก็ดับลงแล้วมันก็หายไปเสียงนั้นก็กลับไปหาพลที่ปูดเราอย่าไปรับเข้ามา อย่างหนอเขาดา่าเขาว่าเขานินทาเราตั้งสติไว้ก็ไม่รับเข้ามาไว้ในจิตเิตก็เบาไม่หนักอกหนักใจตรงนั้นเป็นเรื่องสําคัญตาเห็นหนอตรงกระแสจิตชั้นผาบนี่ไม่ใช่หลับตาพูดกันเฉยเอาทั้งปากไม่ใช่ตรงกระแสจิตอุณล่มมาไปายาชาจะเตะมรงออกไปที่เห็นลูกเห็นหนอเห็นหนอเดี๋ยวแม่ก็เกิดขึ้นการอยู่ดับไป ทำไมต้องกำหนดอย่างนี้ถ้าเราไม่กำหนดมันก็กลายเป็นคนโมหะแต่เราเห็นรูปสวยรูปชอบก็เป็นโลภะไม่พอใจก็เป็นโทสะเราไม่มีสติกำหนดก็เป็นโมหะโลภะเนี่ยเสียงหนอให้ชอบเสียงเป็นโทสะชอบในเสียงมากก็เป็นโลภะไม่ตั้งสติกำหนดก็เป็นโมหะโลภะเนี่ย แล้วตายขนาดนั้นสินเปรดโทขะตายลงนรกโมหะตายจะเป็นสัตวิละฉานออกมาสามประการนี้ก็ขอข้าจโยมไหมนี่พูดสั้นๆให้เขาใจเดินจงกรมก็ขอเจริญพรอย่าให้อย่าเร็วให้ช้าเหมือนคนจะตายนาเข้าสติจะได้มันสมาธิก็เกิดไวถ้ายมอยายุมากเดินมันเซ แทไปจันโนเทไปจะงนี้เดินไม่ได้ก่อข้างฝาตะกอนกอข้างฝาแล้วก็ขวาญาณเทญาณฝายหนักเข้ากันตะกาะสมาทีคนมีสักเทตาขวาอย่างหนอก็อย่างหนออสติมั่นคงสิ้งสักชาติเดินเดินโดยไม่ต้องวันไหวไม่ไม่ไม่สั่นตัวไม่สั่นเขาหาจะแย่ๆไปสติไม่มีแล้วมาเดินเขาจะเทไปจังโนเดี๋ยวลมขึ้นลมลงเดินตั้งใจหนึ่งชั่วโมงก็องทมันถึงเลยนะ ว่าแหม่ตั้งสัดจาวไว้เต็มที่ต้าใจเดินหนึ่งชั่วโมงสามสิบพอแล้วไม่รู้ใครมาบอกมากสิทธิี่หูบอกไม่จงหนึ่งชั่วโมงแล้วสามสิบเหลือกี่เหลือใชเลยนั่งเลยนั่งหนึ่งชั่วโมงป้องหนอนยบหนอเอ๊ะเราเดินหนึ่งชา่วหนึ่งชั่วโมงก็ไม่ถึงสามสิบนาทีก็นั่งก็คงสามสิบนาทีเลยเลิกเลยพอกัน เนี่ยแล้วยังเนี้ยแล้วจะไม่ได้เลยเลยแพ้สอบตกเสียงหนอก็สอบตกไม่เด้ดํำหนดปวดหนอกำหนดไม่ได้ดแพ้ก็สอบตกสอบต ก, กเขาไม่ให้คะแนนนะต้องชนะจิตมีสติปัญญาถึงจะได้ผลออกมาอย่างนี้ เวทนาเนี่ยมันปจะอุปสรรคทำให้คุ้งค่ามาทีนั่งอะไรมันปวดเหลือเกินนะปวดแทบทนไม่ไหวเลยเราก็ต้องทนต้องกำหนดไปปวดนอง่ารสติให้มั่นเพราะสติดีสมาธิดีไอ้ปวดนั่นมันก็ค่อยๆชาหายไปแยกเวทนาออกได้แยกรูปแยกนาออกได้แล้วปวดนั่นมันก็จะไ ม, ม่ยึดมั่น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 สติต้องกําหนดว่ารู้หนอรู้หนอจิตตาโนปัชนาเติฉานจิตเป็นธรรมชาติส่งคิดอ่าอารมณ์รับรู้อารมณ์มาด่าเป็นรานามเมตเถิประทึกเสียงเดี๋ยวออกประทังโน่เดี๋ยววิ่งแต่ท้งนี้ไอ้จิตนี้มันจะอยู่ที่ไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นธรรมชาติอย่างนั้นแต่เราจะนั่งให้จิตอยู่ที่ไม่ได้จิตแม้ก็วัดแหวงอย่างนี้แต่มีปัญหาอยู่อันสร้างสติตามไปดูคิดหนอมันคิดอะไรกันเนาะ คิดหนอรู้หนอแล้วมันคิดเรื่องอะไรก็กําหนดว่าคิดหนอเท่านั้นเองเราจะให้จิตอยู่ที่มันอยู่ไม่ได้หรอกเราทําไปนานนานเข้ามันก็จะคุ้นเคยชาตรก็ดีสมาธิก็ดีขึ้นจิตก็ไม่กวนปวดแกนจิตก็ไม่หลอกแหละจิตก็ไม่ฟุง้งซ่านจะอยู่ภาวะความสงบตลอดไปแต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะฝึกไปเรื่อยๆจนให้มันเคยชินให้ใช้เวลาหน่อย ไม่ใช่มาวันเดียวแล้วก็จะได้นนะต้องฝึกอะไรๆย้อมกลับไปบ้านแล้วต้องฝึกด้วยนะกลับไปบ้านเลิกเลยเหรอเนี่ยคิดดูที่กลับไปบ้านจะเลิกไหมนะว่าไงฮนะไม่เลิกแน่เลยยังเชื่อไม่ได้ยังไม่มีอะไรแสดง เอาละถึงอยังไงก็ตามอาตมาจะเชื่อเขาไว้ก่อนนะแล้วหน้าตาสวยๆเนี่ยน่าเชื่อนะน่าเชื่อกลับไปแล้วก็โอ้จะบอกูนเน้อโอ้ดีเลือเกอจะไปบอกคุน้นคนนี้บ้างเลยหมดเวลาแหมวันนี้จะทำัะหน่อยโอ้ตีหนึ่งแล้วเนี่ยนอนก่อนเนะแล้วพรุ่งนี้ก็ทำก่อน กนี้เขาจะ้พอนอไปพวกนี้อะถามป๊บเออต้องไปทุนลซึ้กหน่อยปัญหาไม่อยู่วะจะไปไหนก็ตามเอากรรมมาถามไปด้วยจะหยิบอะไรก็กําหนดหูมันก็ฟังอยู่แล้วก็เสียงหนอถามันเห็นอยู่แล้วก็กาหนดเรื่อยไปอย่างนี้ก็ได้ได้ไหมจ๊ะเนเสียงหนอเมืองดาคูหนอ เสียงหนอมามึงด่าคูหนอก็ตีก็บอกว่าครูจะต้องใครตบมันให้ได้หนอเอาเลยนะออเลยยงมฮะไม่ยงเหรอเอายังไงอะเอายังไงเสียงหนอเาด่ายมเลยยมจะทำงานก็อะไรฮะ โอ้โหไม่ใช่ของดีหรอไอพี่ด่าเนี่ยนับว่าดีแล้วอ้าวอ้าวอาวถ้าวันไหนไม่มีคนด่าเราขาดทุนนะวันนี้มีคนยกย่องมาอย่าไปเหลิมนะถ้าวันไหนมีใครยกย่องมากขาทุนถ้าวันไหนมีใครด่ามากสักสิบลายนับวันได้กำไรถึงสิบร้อยส่ำไหมนะเสียงหนอเสียงหนอ นี่ด่ากูเหรอเิทากูเหรอเราก็แหมสติดีเหลือเกินนะแล้วก็ออกไปสอบในะสองผัวแล้วกลับมาโกรธหนอโรธหนอโกรธหนอไม่ทันกินเนี่ยเลยตำรวจก็บอกเชิญไปโรงพักหนอไปเสียลคนละพันหน อ, ลลอเล่ารอนเร็วเผื่อจะเป็นไปได้ไดก็เอานะนี่แหละโยมไหม อย่าไปสนใจก็เสียงเห็นอะไรก็อย่าไปสนใจสร้างสติดูไว้เกิดขึ้นตัอยู่ดับไปอย่าไปสนสนใจตัวเองเสียงเขาดา่าเขาว่าเขายินพาหรือเขาย ก, กย่องก็เสียงหนอให้รู้ไว้อย่าไปสนใจก็เสียงที่เขายกย่องเขาอาจจะพ่อ ย, ยอกับเราก็ได้อย่าไปสนใจอย่างนั้นยอมดีมีปัญญาก็ปฏิบัติอะไรอย่างนั้นนะ แต่การธุรักิจธุรก า, ารก็กําหนดไปเรื่อยๆเสียใจกับกำหนดมีใจก็กําหนดไปนั่งบานไทยกับกำหนดเตาดูหูฟังปากนิ่งกําหนดตลอดไปแล้วเราจะได้มีสติปัญญาแก้ไขปัญหาในเมื่อปัญหาอะไรเกิดขึ้นจะได้แก้ได้ําไม่เศร้าโศกเสียใจตลอดชีวิตอีกต่อไปแล้วจะอยู่ด้วยความมั่นคงเป็นสุขตลอดไปนะโยมนะโยมมีลูกอีกคนล่ะสองเหร่ ตนนโตยังไฮะออคนเล็กข่าหมายรายแล้วเล็กกว่า น, นี้มีอีกไหมฮะหมดแล้วเหรอโรงงานปิดแล้วเหรอเอาละใช้ได้อย่าไปมีมาก2คนก็พอแล้วนะคนเล็กใครจบนะพ่อบ้านทำอะไรละ่ะ ทางานแม่บ้านมาทำงานทะเลาะกันมั้ไหมโอ้ชาธุสาธุสาธุไม่ทะเลาะกันแต่ขัดใจกันใช้ได้โตแล้วนี่ไปทะเลาะกับทำไมอายลูกเขาแต่ขัดใจก็จะเรื่องธรรมดา เหลือแนะตอบได้ถูกต้องบางคนบอกว่าโอ๊ยสามีภัญยาฉันไม่เดือดรลอนใคไม่ขัดใจเลยกูหก อ, อดไม่ได้ก็ต้องขัดใจกันจโยอมจะไปขัดใจเขาเลยเนาะนั่นแ น, น่เอาละให้คะแนนร้อยเอร์เ็นเลย โอ้ต้องคอลลพเหตุผลทั้งสองฝ่ายใช้ได้โอ้น่าจะเป็นครูสอนเรื่องนี้เอออารมณ์ดีให้คุยกันนะถ้าอารมณ์ไม่ดีพอให้แม่เราตั้งสติกำหนดนะดีแลโยอมขอหนุมอนนาด้วยวันนี้ก็เวลาจากัดเดี๋ยวก็พรุ่งนี้ก็จะชุมพระพระมาที่นี่ทั้งอาเภอ ชาวกะจะอบรมประชุมกันขื่ลมตาสาวพัดอันนี้ข อ, อมโมทนาสาธุการแก่ญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายโดยผู้นากัรก็ขอโอยมใจสายตัวเองให้มากสนใจในพระกรรมาฐานสนใจการปฏิบัติสิงสมาธิปัญญาในสติเยอะมากในตนชีวิตนี้จะมีแต่กุศลชีวิตนี้จะมีแสงสว่างทางปัญญาจะได้แก้ปัญหาในครอบครัว ทำอะไรก็เอาตัวรอดได้จากความไปอยู่ชีวินี้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปชีวิตนี้จะสมหมายและสมหวังที่เราเกิดรานากรโลกนี้ในเรื่องธรรมดาเราต้องตอกทุกข์ได้ยากสำหรับทุกค น, ก น, กรกคนประสบประการกับปัญหาทุกข์ไม่ได้กำรับทุกคนไม่มีใครที่จะหนีทุกข์ไปได้แต่ก็ขอให้มีความสุขโดยใช้สติปัญญาแก้ไขทุกข์เพื่อเจริญสัจธรรมฐ า, านแก้ไขปัญหาตลอดไป ขอฝากญาติโยมไว้โดยทุนนักการขอขออำนอาจคุณบัยิยนั ก, กนัการอำนาจบุญกุศลทั้งหลายโปรดประทานพรให้ญาติโยมทุกท่านทรงก็ะอบแตความสุขความเจริญโดยทุนนักการขอที่ท่านจงเจริญด้วยอายุวันณาสุขาภละปฏิทานนาสารสมบัติเมื่อเกิดจึงมีประการใดชมความมุ่งมาตัาดธนาหรือการทุกู์ทุกงามณโอกาสบันี้เชิญ